บริษัทเฉพาะคําแนะนําตอนนี้ต่อตอนนี้ไปเป็นกา ร, ร ม, มุ่งมหรรมาสิ่งฐานนสู่าการปฏิบัติธรราในพุทธบริษัทคอยถือกรรมฐานที่คล่องแล้วจริเกินถ้เคยปฏิบัติแบบไหนคล่องมาแล้วทำอย่างนั้นที่จะได้มหรรมามสิฐานสุ่อ้ว่าในจุดที่เรามีความตั้งนจะพาจุดอย่ในจุดอนาปานาสุสติ ท่านแนะนำว่าให้ใจเข้าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวรสั้นออกยาวหรือสั้นหรือว่ารู้ลมให้ใจตลอเวลา <c oughs> ตลอดเข้าตลอดออกไหมแล้วก็ต่อไปียาบทเดินก้าวไปข้างหน้าก้า ไปหน้าไปหลังไปเดินไหมนี่แหละการรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายสมยาธญยะรู้ทุกอย่างที่ร่างกายเคลื่อนไหวสมาธิยะนิญยากรวมความว่าการปฏิบัติของท่านจริงๆท่านจะเดินกรรมฐานกองไหนมาก็าตามกรรมฐานรุ่นเจ้ามันจะบอกชื่อต่างกันแต่ก็ไม่ผิดแย่งกรรมฐานสี่จิตท่านก็เรียนนาปาลุทธิกรรมฐานเหมือนไก่ รวมความว่ากรรมฐานที่ปฏิบัติไม่ติดแลวเวลาปฏิบัติจริงๆให้เลือกกรรมารชอบใจแต่การแนะนำวันนี้มันได้ยากโยงก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ตลอดเวลาได้ไม่แน่นะยี้ันนี้ทั้งคืนไม่ขึ้นก็ได้เพราะว่าตอนประมาณห้าโมงครึ่งพอมันถ่ายได้เกียนมากแล้วเรื่องการไข้หนาวสันประมาณชั่วโมง ตอนนี้ที่ลงมาก็ยังไม่ไม่ไม่ใครดีตั้งใจโรคมาแจกญาติโยมทุมกบ ร, ร, ริษัทท้องกฐามัตย์แล้นเสียงถึงไหนโรคไปถึงนั่นอะไรนะสุดโหดสิแล้วโครงการว่าถ้าบังเอิญจะต้องลุกไปก่อนเวลาเพราะเราทราบกายเครียดเพศโตติมันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งถ้ามันใจะอเอียนสองมันจะถ่ายเป็ น, ป น, ป น, ปนต้นไม่ก็มาคุยเรื่องการเลยก็มาฐานวันนี้ วันนี้กร็รรบสามบัตรคือหนึ่งอนาพานุสติควาจริงท่านทำโรคกันสองอิทิยาบทสามสัมปชัญญะอนาพานุสติาาทตี่บรรดาญาโยมพระตํารวจทุกคนอย่าลืมนะท่านจะทำถึงไหนแล้วก็ตามถึงว่าว่าท่าจะเป็นปะโซดาติทาการาการันว่าจอย่าลออนาพานุสติทำไมยังบอกแบบนี้ ว่าพระอาจาเจ้าไม่พิจารณาฝาตรงที่ไม่ใช่ง่แง่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเองก็ทรงจัดรัฐาคตเองก็ไปพุ่มมากในลมให้ใจเขาออกคือการรู้ลมเข้ารู้ลมออกถ้าจิตเป็นสมาธิเล็กน้อยทุกขเวทนาบรรพันเทาดวงความระดับแรกของดาจึงจะเริ่มจดจำบทต้นว่าบทที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเริ่มปฏิบัติเบื้องต้น ให้รู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจรู้ว่าเป็เวลานี้ให้ใจเวลาให้ใจเข้าให้รู้ให้ไว้ใจเข้าใจออกรู้ใจออกเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ที่รู้เฉพาะให้ใจเข้าใจออกเฉยๆอย่างนั้นเป็นคณิกาสมาธิจะเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยเพราเสื่อมหลับมันกไหลไปแล้ว มันไหลไปแล้วรู้รู้ตึกตัวก็ว่ากันมาใหม่งั่นคือตัวนวักรรกาสมาธิ <c oughs> ถ้าตอนใดรู้ลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกหรือชั้นสั้นเป็นปกติรู้แบบสบา <c oughs> ยสบายเวลานั่นกําลังใจของบรรดาเจ้าพุทธสั์เป็นอุปจาระสมาธิเข้าใจไหมอุปจาระสมาธิแปลสมาธิเฉียดชัน <c oughs> ไม่ถึงชาในแตใกล้ชานเก่งที มีปีติดเป็นตัวประจําถ้าต่อไปได้จิตใจเขมงวดทางพุทธิัชรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจเข้ากระทบเจมูกระทบเราอกกระทบสดเหนือสะดือรู้หมดให้ใจออกรออกระทบฝนเหนือสะดือกระทบเราอกกระทบเจมูรู้หมดรู้ทางลมทั้งหมดทั้งเขา้าแลงออกเวลานั้นจิตข้มงวดทางพุทธริัชรเนานนี่เป็นเครื่องวัดนะมันก่อนมันได้บอกนะเนี่ก็เป็นว่า อันาปานุติกติเป็นกรรมฐานใหญ่คุมอารมณ์ให้เป็นให้เป็นฌานสมาบัติให้เป็ น, น, ม น, ปนสมาธิไม่ลืมว่าถ้ารู้เฉพาะลมเข้าลมออกเฉยๆไม่รู้ลมไม่ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นอย่างนี้เป็นขณิกะสมาธิเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยถ้ารู้ลมไม่ใจเข้าใจออกด้วยรู้ว่าเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นโดยจะเรื่อกรรมกิจสบายไม่ท่องปรินอย่างนี้จิตตอนนั้นเป็นอุปจาระสมาธิ ถ้ารู้ลมเข้าลมออกตามสายกระทบที่หมวกด้วยลงไปถึงท้องรู้หมดผ้าออกกระทบจากท้องกระทบแล้วออกที่หมวกรู้ทุกอย่างเหมือนมีเหมือนจะมีมกมลี่อย่างในเวลานั้นจิตเป็นฌานสํหาหรับฌานแบ่งเป็นสี่ฌานจะไม่ขอจําแนกในที่นี้ก็ถือว่าถ้าทําอย่างนั้นได้เป็นฌานก็นแล้วกันถ้าฌานได้มีกําลังสูงขึ้นก็นสังเกตลมหายใจ ถ้ารู้สัมผัสลมหายใจเบาลงทุกอันเบาลงกว่าเดิมแสดงว่าชายเคลื่อนไปหาชานสูงแล้วถ้าถึงชานสามจะไม่ไรู้สึกลมหายใจแต่เข้าถึงชานสี่ชานสี่เนจากเป็นสองชั้นอย่างหยากประยายเอียดพ้ถึงชานสี่ปั๊บจิตจะไม่มีความรู้สึกว่าหายใจมันจะมีความรู้สึกเฉยเในเมื่อเฉยได้ตอนนั้นหูจะไดินเสียงที่ดังที่สุดเป็นเสียงกระใหญ่เสียง ถ้าเปิดในงานงานตามวัดตมบ้า น, นอกเขเปิดดังมากถ้า ต, ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่เกินสิเมตรมันจะหยิแบแววแววถ้าปกติ ต, ต้องแสบหูต้องทานใช่ไถ้าถึงชาลีก็อย่างหยาแบแววนิดเดียวเป็นแค่กรณีบ้างแต่พอเข้าถึงชาลีละเอียดไม่รู้ลมให้ใจเขาออกด้วยไม่รู้สึกสัมผัต่างๆด้วยเรืว่าจิต ก, กับประสาทตัดจนิดขาดแยกกันเลย จิต ก, ก็ว่าเรื่องธุรกิจบริสาทก็ว่าเรื่องของบริษัทบริษัทจรงจริงบรยากาศจิตไม่รับทราบเน่ตอนนี้เป็นชานสีแต่ขอสรุปว่าจะาเป็นชานอะไรก็ตามมันจะทรงไม่ได้นานอันนจะสมาธิรูปประจารสมาธิจะชันคําต้นชันขั้นปลา ย, ายประจารจะทรงไม่ได้นานทรงด้วยแค่แค่กว่าเดี๋ยวเดียวมันก็จะถอนตัวอย่างนี้ก็ถือว่าเรื่องธรรมดา ถ้าต้องการทรงให้หนายเขาต้องฝึกผลอนาปานุสติใช้การตั้งเวลาจากสองสามนาทีด้วยเด็กประจำนานแล้วก็ไปซีนาทีแล้วก็ห้านาทีให้จำนานจริงจริงเคลื่อนไปอย่างนี้จะส่งชานิในตามที่เราตั้งเรื่องอนาปานะต่อไปก็เมื่อคืนนี้เราเอ่อเรื่องช่อขั้นข้าจะไปเรื่อ ง, อ, อ, อ, ง, งอิริยาบทอิริยาบดกับสัมปชัญญะนี่ต้องพูดคู่กันถ้าไม่พูดสัมปชัญญะด้วย ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าใครเดินเหมือนกันนะก้าวไปข้างหน้าสัมปชัญญะไม่รู้มันรู้ใครก้าวเพราม่ถึงก้าวนะเรื่งว่าการก้าวไปข้างหน้าก็ดีเดินไปข้างหน้าก็ดีถอยมาข้างหลังก็ดีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดีทําการงานต่างๆก็ดีเป็นอิริยาบถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเจ้เดินข้างหน้าถอยข้างหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหน้าเป็นหลังเป็นต้น อย่างนี้เป็นอิทธิยาบทเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกาย <c oughs> อิทธิยาบทมีทั้งหมทีอิทธยาบทมยสีนั่งนอนยืนเดินร่าการนั่งนอนยืนเดินนถ้าไม่สัมผัสกันร่างกายจะไม่ปกติจะมีการปวดแคลไม่สบายถ้าสัมผัสพอดีพอดีกั น, นร่างกายจะปกติและส่วนมากที่ปฏิบัติกันก็เป็นการเดินที่เราเรียกว่าเดินจงกร ตอนจริงการเดินจงกรมนั้นไม่ใช่เดินกลมๆเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยมาข้างหลังนี่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้เอาตามสบายคร ว, วามว่าข้างหน้าที่เดินในเวลานี้ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็ทราบว่าเวลานี้ก้าวเท้าซ้ายคามที่รู้ว่าก้าวเท้าซ้ายนี่เป็นสัมปชัญญะเขาบอกเลยนะถ้าไม่บวกมันพูดไม่รู้เรื่องก้าวเท้าขวาแล้วก็ทราบว่าเวลานี้ก้าวเท้าขวา แ, แข่งแขนซ้ายแข่งแขนขว า, วา ح, เราก็ทราบเลี้ยวซ้ายและขวาเราก็สร า, ح, สา ح, รูปียบุตรแต่ใหม่ๆหม่บรรดาญาโยามบ ร, ริษัทมันก็ลืมเป็นของธรรมดาที่แรกกต่อทำน้อยเทาจะพูดถึงมิติเดินถ้าถามว่าจะใช้เดินแบบไหนปริยาบทกับสัมุจญานีพระพุทธเจ้าต้องการใช้อารมณ์ปกติอาการเดินปกติ ว่าก็าเราต้องการจะต้องเดินเดินทํางานเดินรีบเดินไม่รีบว่าเดินหนีควายเดินหนีหมาหนีเครหนีเปล่าใครมั้ยแต่ังเคยหมาไม่กลัวขึ้นยอดเขาหมาสู้เรา ไ, ไม่ได้นะหนีควายเพรว่าทุกอย่างที่เราต้องวิ่งท่านะที่วิ่งเนี่ยต้องรู้เลยว่าเวลานี้ก้าวเท้าซ้ายาาาเด็กเท้าขวาติวจะส่งตัวแต่ตอนนั้นต้องนเป็นฌาญนี่ย ถ้าถึงตอนนี้อนาปานตีเป็นชานแล้วมันคงอยงู่นะื่อการเก้าไปก็มาเนี่ยเขาไม่คนยนิยมกันเลยบ้างมักจะนิยมภาวนาและพจทธนาที่นิยมจริงๆนะภาวนาถ้าจะถามว่าภาวนาก็ายังไงอ้อนี้ต้องตามใจญาติโยนภาวนาแบบไหนต้องตัวภาวนาแบบนั้นไม่ขัดข้อง แต่การภาวนาให้ควบคู่กับการเดินให้ยังทั้งทัมดอเมืมม่อเราภาว่าพุทธโธเดินเท้าเท้าซ้ายพุทเท้าขวาโธเท้าซ้ายพุทเท้าขวาโธอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เร VE เด็กสอนอยากใช่ไหมค่อยๆ ค, คุมการเดินต่อไปที่มีการทรงตัวจรก็เดินปกติจะรู้หมดถ้าต่อไปที่มีการคล้องตัวทรงตัวจีแล้วไม่จะวิ่งก็รู้ไม่กลาด กต่วก่การจงกรมไม่มีเฉพาะภาวนาอย่างเดียวต้องมีพิจารณาด้วยคำว่าพิจารณาคืออารมณ์คิดไม่เฉพาะอย่างยิ่งสมถภาวนามีทั้งอารมณ์ทรงตัวและอารมณ์คิดที่ภาสนาภาวนามีอารมณ์คิดอย่างเดียวยเวลาไหนท่าน้องร่างกายจิตใจต้องการทรงตัวมันต้องการสงบเราก็ใช้ภาวนาควบคู่ ก้าวเท้าซ้ายนึกว่าพุดก้าวเท้าขวาทึกว่าโถอันนี้ไม่จํากัดนะคนนะําบรณาณนะถ้าญาติโยมออนลนแบบไหนท่องแล้วว่าตามนั้นเลยไม่ไพ่พอดีพอ ด, พอดีก็ก้าวเท้าซ้าย ก, ก้าวเท้าขวาก็เลยตันต่อไปก้าใช้ชาดยการคล่องตัวตพยายามค่อยๆยามก้าวเร็วเข้าจะมีการคล่องตัวคุมอยู่ไหมถ้ามีการคล่องตัวอยู่ก็พยายามเร็วให้เดินให้เร็วเข้าเป็นการฝึกหรือว่าสมาธิ ตอนนีสมาธิและสมธาธาภาวนาต้องมีการทรงตัวทุกนิยบุตรเราไม่ทราบเราจะตายเวลาไหนอย่าใะจะคิดว่าจะนอนตายเสมอที่มันไม่แน่ยิ่งตายก็มีเดินตายก็มีนั่งตายก็มีนอนตายก็มีเรื่องความท่าจะตายเวลาไหนก็ตามสติจะทรงอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลคือพุท ธ, ธานุปัสสน์เรื่สําหรับภาวนาเรืต่อไปบางครั้งจิตมันไม่ชอบภาวนา มันอยากจะไปจิตอวดรู้ใช่ไหมทำไมจิตอวดรู้เวลานั่นความฉลาดมันเกิดกําลังสมาธิมันพอเรียกพอความต้องการขอมันตัวปัญญาก็เริ่มเกิดตอนตัวปัญญาเริ่มเกิดนี่จะภาวนาไม่ได้และคิดไม่ยอก ม, มันจะเกิดความหลงครตอนนี้ก็ใช้พิจารณาการพิจารณานี่ก็ขอบรรดาญาโยมบริษัทเรื่อกมาตามชอบใจ อันดับแรกอย่างงมดา ย, ยากโยมยพุทธโยสันไหลพิจารมาโสดาปัญญยก่อนอานการพิจารณาครั้งแรกก็ชงพิจารณาคิดไปพิจารณาคิดน่ะมีพิจารณาไม่เป็นไอเมียเราคิดว่าคนทุกคนเกิดมาทําไรตายหมดเท่านั้นตายเกิดท่าไรก็ตายหมดเท่านั้นคนที่เดินภาวนาอย่างเราคนที่เดินพิจรารณาอย่างเรานี่ตายไปนับไม่ถ้วน เราเองก็ต้องมีสภาพตายอย่างเขาเหมือนกันแต่ว่าคิดถึงความตายแล้วก็จะย่อยท้อจะคิดว่าถ้าบางเอื่นเราตายในขณะ น, นี้ที่ปิตทรงธรรมานาอยูษษษษษษษษ่ก็ตามพิจารณาก็ตามความดีของเรามีอยู่เพื่อทําเรื่องความเกิดเป็นเทวดาด้านนางฟ้าเราเรียรพร้อมแล้วมันหมายความว่าถ้าจิตเครื่องอุปจาระสมาธิเราเลือกสวรรค์เกิดได้ทุกชั้นตามชอบใจเป็นจิตสมบูุ์ ต่อไปบางขณะจิตของเราเข้าลึนชานเข้าลึนชานตอนต้องเริเสกแบบนี้สเสกหูตําคารในเสียงไหมแต่เสียงสุนักเสียงคนเสียงยื่นเสียงทนพัฒน์แต่ะราเคยฟังราคาญเวลานั้นเกิดไม่ราคาญขึ้นมาไปจะฟังเพลงพอลทอนระดับของแกฉั้นภาวนาพิจารณาระดับของฉันตอนนี้จิเตเป็นสมัชญชันเป็นชายขั้นตน ถ้าต่อไปจิตมีความสุขมีความไม่คงแต่จิตไม่ภาวนาเป็นจิตมีรู้ไม่คงมากเรื่องจรินมากอย่างนี้เป็นฌานที่สองเอาแค่นี้ใช้ฌานสีมันไปเลยแด่รงมว่าว่าถ้าจิตท่านท่านจังหวะใดจังหวะหนึ่งเคยทรงฌานแต่ความตายจะเข้ามาถึงกุศลทั้งหมดจะเข้ารวมตัวฌานจะเข้ารวมตัวถ้าท่านตายคราวนั้นจะเป็นโอมจริงเราก็ไม่น่าหนักใจ ถ้าเป็นเทดานางฟ้าก็ดีเป็นพระองดีมีความสุ ข, ขความเป็นมนุษย์มากแต่ถ้าบังเอิญบรรดาท่านพู้บริษัทใช้ปัญญาสูงกว่านี้นิดหนึ่งว่าคนเรานอกจากจะตายแล้วอเรื่องตายเป็นของธรรมดาตายนี่เป็นสมถะอมนานนะตายเนี่ยกเนี่ยกสักการะนิติตในสังโยชน์มันควบสองอย่างพวกสมถะเรื่องกาชินนาน ตามีความรู้คิดว่าคนก็ดีใจ ก, ก็ดีที่เดินอย่างเราเขาเคยตายอย่างนี้เป็นสมถะมรณะเป็นมรณานุสติสมฐานเอ๊ะเราจะเอาอย่างยึดมันจิตเสมาธิของคนก็คิดจากวิปัสนาญาเลยคิดว่าร่างกายที่ต้องตายอย่างนี้ผู้ร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เพราะเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายเป็นเรียงธาตุสี่ก็ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมและธาตุไฟประสมกันแต่ร่างกายขึ้นมาจิตของเราเขึ้ามาใสา่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อร่างกายเมืม่อมันมีสภาพเกิดแล้วแก่เจ็บตายตามธรรมดามันมันจะตายก็ต้อตายขึ้นชื่อว่าใครเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพระมูลีจะไม่มีสําหรับเราต่อไปถ้าตายเวลานี้หรือมื่ไรก็ตามเราต้องการจบเดียวอยวู่นี่ก่อนเอาสั้นๆแบบนี้ หลังจากนั้นแค่จีเกียรติพิจรารณาก็ภาวนาเรื่อยไปถ้าจีเกียรติภาวนาก็เดินจักเดินรูล้ลมเข้ารูล้ลมออกคู่กับเท้าต่อไปใช้ได้ถ้าตั้งใจเพียงเท่านี้เสียเวลาที่ฐานบวชมีด้วยทีน่นี้ญญปรัชนาภาวนาด้วยเป็นสัปปารนาด้วยถ้าตายเวลานั้นหรือเวลาใกล้เคียงกันหรือในคืนนั้นแค่จิตยังไม่เฟื่องท่านจะไปผ่านได้ลองความว่าอนาปานุปติก็ดีวิญญาณก็ดีสัพพัญญายก็ดี ถ้าบรรดาท่านบริษัทปฏิบั ต, บติถูกต้องตามที่พระเจ้าต้องการก็ไม่แคล้วที่ผานได้อย่างต่ำก็คือนอนาคามีตามที่พระเจ้าทรงสั่งให้ท่ามาหาเถรทัณสูตรตามมบาลีท่านบอกว่าปฏิบัติอย่างนี้กองใดกองหนึ่งให้คล่องตัวพยายามทําเลื่ยงเลี่ยงสักหนึ่งเดือนให้หวังผลสองอย่างคืออนาคามีหรืออะไร ท่านไ้บังผลพระดาบีิายาทเป็นกรรมฐานสูง ม, มากวันนี้ตอนท้ายที่ส่นแนะนำให้พิจ า, ารณาร่ากายเก้าวไปก้าวมาคนเดินไปเดินมาก็ตามต้องตายกาด็ดีในคนที่รู้เขาลงไม่ใจเขาจะออกตรองตายก็าตามท่านบอกให้รู้ทั้งคนตัวร่างกายภายในและกายภายนอกเอาเลยใหพลงบทหวยแหล ะ, ล ะ, ละรู้กายในกายด้วยรู้กายนอกกายด้วยอีกภาษาหนึ่งนะ เีภาษาเนี่ให้รู้จักกายภายในด้วยรู้จักกายภายนอกด้วยรูนจากกายภายในอย่างเดียวหรือรู้จักกายภายนอกอย่างเดียวเรารู้ทั้งกายในและภายนอกเป็นเรื่องรู้เรื่องเลยที่ในบาหลีใช่มาอย่างนั้นว่าใน้ท่นหน่อยครับคืมความว่าคําว่ารู้ก็หมายความรู้ตัวว่าเราคือร่างกายของเรานี้มันต้องตายตามสภาพธรรมดานแน่นอนเรียกเรียกความตายไม่ได้ ร่างกายของเราเนี่ความจริงมันไม่ใช่เรามันคือของเราเป็นเพียงภาพสีเข้ามาประชุมกันเป็นเรื่องร่างที่อาศัยชั่วคราวเมื่อถ้ภาพภาพสีมั น, มนไล่สามารถทีกันอย่างใดอย่างหนึ่งจหลายตัวมันก็ตายเราคือจิตเรื่องจิตธรรมกายก็ไปตามกฎของกรรม น, นี่กายภายในคือกายของเราและกายในกายต่อไปก็เป็นกายภายนอกและกายนอกกายกายภายในจะไปดูรูกในท้องนะไม่ได้เกี่ยว ในตอนที่ถามการดูกายภายในดียใงไง ห, หาทางออกไปได้ดูรูปไข่ท้องที่กายในใกายเห็นไหมไอ้เลีห า, ใ ห, า, าให้เจ้าตญิงยอมหายเหงาเม่นดูกายนอกกายนอกกายไหมว่าคนอื่นเขามีสภาพเหมือนเราไหมลองกับเขาดูในทั้งกายภายในภายนอกนี้ดีกว่าเองกับเขามีสภาพเสมือกัน มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่ท่านว่ายนี้เลยตอนนี้นะคือหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปนาการความเสื่อมไปที่มาเสื่อมมาแล้วมันไม่กลับย้อนถอยหลังกลับมาใหม่อย่างความเป็นเด็กที่สลายตัวไปแล้วมันไม่กลับมาเป็นเด็กใหม่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่สลายตัวไปแล้วมันไม่กลับมาเป็นสาวใหม่หนุ่มใหม่้ความคนแก่ที่สลายตัวไปแล้วเวลานี้เป็นผีไม่กลับแก่ใหม่ มาผีแก่ๆรงความสิ่งใดก็ตามท่าสลายตัวมันก็สลายไปไม่เกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวไปเสียอไปในเมื่อร่างกายไม่การเกิดขึ้นไม่การเสื่อมลงไปอย่างนี้มันบอกจงสร้างนิจทายาให้เกิดอันนี้แต่รงความอนาคารมีอันนี้สมบอติชักจงสร้างอารมณ์นิจทายานในเกิดขึ้นสร้างความเบื่อหน่ายว่าถ้าร่างกายเราเกิดมาต้องทุกอย่างนี้ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้ มีความเกิดขึ้นเราเสื่อมไปอย่างนี้ในที่สุขกายเหมือนกันเราเกิดมาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยในการประกอบการงานสร้างอาชีพสร้างสร้างฐานะในที่สุดทรัพย์สินต่างๆที่เรามีอยู่ก็ไม่มีโอกาสเป็นสิ่ประองต่อไปได้สามีพัญญาบุตรชายก็ต่างทัสมบัติต่างคนต่างแยกกันไปเรื่องความาว่าการเกิดแบบนี้น่าเบื่อไม่น่าเกิดต่อไปอีก เกิดชาติใดก็มีความทุกแบบนี้เกิดชาติไหนก็มีความเสื่อมแบบนี้และเกิดชาติไหนก็มีการสลายตัวนี้เราไม่จากงกาเกิดความรูปต่อไปืตีกลายเกิดเป็นคนตัดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นตรวดีไม่มีสุราบันเดือดตัง้งดวงลมมันค่อยค่อยเบื่อไม่ยินเบื่อทันทีทันใดครับปัญญาเกิดมาก ก, ก็เบื่อมากปัญญาเกิดมากจนเบือน้อยถ้าติลมเบือเกิดขึ้นซู่งทราบว่าเวลานี้รมนาคาร ม, าามีเริ่มเขา้าถึงเราแล้ว แตาจจะเข้านานบ้างไม่นั้น ม, มนันมจะเป็นลืกตัวนะต่อไปพระเจ้าทรงแนะนำว่าความเบื่อจะขึ้นให้พในบรรดาพิสุไรตัดทกสิ่งทดกอย่างไม่ยึดถือทุกสิ่งทุก อ, อย่างในโลกทั้งหมดหมายความทุกอย่างในโลกเราถือว่ามันไม่ใช่เราไม่ใมมึ่ของเรามันเป็นกฎธรรมดาก็มันมันเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เสื่อมแล้วก็ตายเป็นสภาพธรรมดายิ่งขึ้นที่ว่าสมัยของโล ก, โล ก, กที่มีิ่งที่มีชีวิตจะเดยไม่มีชีวิตนไม่มีชีวิตก็ตาย เราไม่ยึดถือเป็นที่พึ่งศาสนาต่อไปปล่อยไปตามสภาพมันจิตใจเราต้องการนั่งขืนานอันนี้อรรารมณ์ราเทื่อเราสังขารุติหา ย, ยายร่างกายจะแก่ก็เฉยร่างกายจะป่วยก็ไม่จะร้อนนะักร่างกายมันจะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ให ม, ม่หนักใจร่างกายจะตายก็ไม่ถูกลองควางจิตใจวางเฉยในร่างกายที่จะสังขารุติหา ย, ยาย อรมสังขารเปรีายายาในบรรดาแต่บริษัทพยายามสร้างให้มีให้ได้เอาเวลาว่างๆเวลาที่ไม่มีอะไรกวนใจถ้ามีเวลากวนใจมันจะสร้างไม่ขึ้นเราก็สร้างรับรับก่อนใช่ไหมเวลาสงับเวลาไม่มีใครเข้ามายุ่งกับเราไม่มีใครมาคุยอยู่เราคนเดียวตัเวลาไปดีเดียวสองสามที้นนั่งก็ได้ลอนก็ได้ยิงก็ได้เด็กก็ไ ด, กไ ด, กได้ก็ตั้งใจนึกถึงตามความเป็นจริงว่าโลกมันไม่เกี่ยง ข้อนี้ก็ไม่เที่ยงศตร์ก็ไม่เที่ยงและสิ่งทั้งหลายทั้งหมดก็ไม่เที่ยงไม่เมื่อมันไม่เที่ยงมันต้องเกิดขึ้นในเรื่องต้นเสื่อมไปในทางไกลสลายตัวในสุดเราไม่ต้องการมันอีกความแก่จะเกิดขึ้นกว่าเชิญแก่ไปตามชอบใจเราไม่ทุกความป่วยไข่เกิดขึ้นซึ่งทุกเวลามีอยู่ใจใจไม่ยอมทุก้วยถือเรื่องธรรมดาการรากักไร้จะของรักของจิตใจเกิดขึ้นถือว่าธรรมดาของชาวโลกเหมือนกันหมดเป็นอย่างนี้ ความตายจะเกิดขึ้นผิวเรื่องธรรดายองร่างกายเราไม่ต้องการในใจนี้เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานคิดอย่างนี้ใจสะอาดมีพลังสมาธิสรนติก็พอทํามากกว่านี้ก็ดีถ้าทําได้อย่างนี้วันละครั้งหรือสองครั้งตามเวลาที่ท่านอยว่างเอาแค่นาทีเดียวก็พออย่างนี้อารมณ์จะทรงตัววันน้อยแต่น้อยได้ที่สุกแต่เวลาทุกเวลาเกิดขึ้ความตาย จิตใจของท่านจะจับสังขาวเปิดฆ่ายานแน่นเพราะว่าเวลาจะตายมีภูสมันรว์บุญเก่ารวมทั้งหมดว่าจิตใจจับสังขาวเปิดฆ่ายานแน่นอารมณ์เวลานั้นเป็นอะไรถึงแม้จะเป็นเล็ดน้อยปรตามแต่ขณะนั้นมันเป็นอะไรขณะที่เวลานตายเวลานั้นต้อไปผ่านจิตถึงไม่ภ่านกระจบตายไม่ได้คนระับถ้าเลยไม่ผานก็ต้องไปเวทีใช่ไหมอขอรอนุญาตโยมมุตตะวิสัทวันนี้แล้วก็ขอสรุป แต่ว่าเป็นการดีวันนี้ไม่ยักกวนเนี่ยมันลอยตอนห้าโมครึตอนสี่โมงกวา่าคิดลอยอาจจะพูดไม่จบเวลา เ, ลากกาเดินลงมาก็ยังเบี้ยนิสัยมากเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเรื่องธรรมดาเนะ่ยอ้อเบาแล้วแจกไปหมดแล้วเสียงถึงไหนโรคถึงนั่นเออไอพวกนี้ยังเงียบมเสียท่าีัยพอ น, นึกแจกไอติมเวลาเนี่ยหลายบริชัทอามากขน่อยพูดมากไอฝันมันเปล่าวะไอฝันไปลเลย ธรรมาเอาใส่มากๆส้างความดี่ามตอนที่ไปญาติโยมทุกท่าไปปฏิบัติสร้งใจจะมาทานสีไม่มาทานและกับฉาน